ต่อไปเราก็จะได้รับฟังธรมกันจริงๆธรรมะก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้ไม่ว่าผู้บรรยายขณะบรรยายอยู่ก็บรรุได้พร้อมทั้งผู้ฟังผู้ฟังเองฟังแล้วก็บรรุได้กันแล้วแต่อินทรีย์บารมีของบุคคล ก็เป็นนั้นว่าการฟังธรรมเป็นมงคลอันสูงสุดนี่ก็เป็นมงคลข้อหนึ่งและเป็นข้อใหญ่การฟังธรรมเป็นมงคลสูงสุดตัมมังคลมุตตาหมังเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะเวลาที่เราฟังธรรมแล้วเนี่ยจิตของเราก็จะได้น้อมมา ภายในได้กาหนดรู้สภาพความจริงทั้งประโยชน์และสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์คือเราจะรู้ทั้งสองอย่างองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคไม่ใช่เพียงรู้คำว่าสาระแก่นสารประโยชน์หรือเพียงคำว่าถูก และคุณอย่างเดียวไม่ใช่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาครู้ทั้งหมดทั้งผิดทั้งถูกทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปทั้งคุณทั้งโทษทั้งประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ทั้งเป็นแก่นสารไม่มีแก่นสารและสาระที่ไม่มีสาระพระองค์จึงแสดงทางชี้ให้เห็นจังโทษ ทั้งเวรไัยคนยิงหลายคนพอได้ฟังธรรมในเบื้องหน้าแห่งองค์สมเด็จพระบรม ศ, ศ, ศาสตราสัมมาสัมพุทธเจ้าบางคนก็รู้ตั ว, วตนเป็นผู้บาปนาเห็นไหมบางคนรู้แล้วว่าตนเป็นผู้บาปนาบางคนนะบางคนก็ทราบว่าตนเป็นบัณฑิต เป็นผู้เจริญอยู่ด้วยกุศลธรรมบางคนก็รู้ว่าตนเป็นผู้ตรณีก็แสงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีนัยยะต่างๆมากมายที่จะแสดงยอย่าไปเข้าใจอะไรแคบๆว่าธรรมนั่นจะรู้เพียงสาระ อย่างเดียวไม่ใช่รู้หมดทั้งสาระและไม่ใช่สาระจิตที่เป็นฝ่ายกุศลรู้จิตที่เป็นฝ่ายอากุศลก็ต้องรู้เหมือนคำว่าทุกกำหนดรู้ไม่ใช่ว่าทุกไม่รู้นะทุกรู้เหตุของทุกพึงละเสียเห็นไหมต้องกำหนดรู้พอเรารู้ สภาพความจริงในยะที่เกิดดับที่มีอยู่นะพอรู้เสร็จกำหนดได้พอกำหนดได้เสร็จนั่นแหละบุคคลจึงสแสวงหาทางดับทุกข์เขาเรียกว่าทางวิมุตติที่พระพุทธเจ้าเราบำเพ็ญมาในพระชาติสุดท้ายที่ว่าหกพันษาที่ทำความเพียรอย่างยิ่งยวดนะพระองค์นั้น ต้องเรียนทุกทุกฝ่ายนะไม่ใช่จะจะเอาแต่ฝ่ายจเจริญอย่างเดียวคือรู้จนถึงว่านี่ไม่ใช่ทางในอริยมรรคไม่เป็นไปเพื่ออริยผลนี่คือทางอริยมรรคและนี่คือทางอริยผลพอเข้าใจท่องแท้รู้จริงแล้วนะที่บอกความโลเล ความลังเลความสงสัยภาษาพระเรียกว่าวิกิกิจฉาเนะี่ยจะหมดไปแล้วก็ถูกทําลายไปวิกิกิจฉานี้จะไม่เกิดกับท่านผู้รู้ฉะนั้นผู้บําเพ็ญใครก็ตามที่เป็นผู้รู้จริงๆนะจะไม่มีว่าวิจิกิจฉาความลังเลความโลเลความสงสัยหรือ สิ่งที่ยังเคลือบแคลงใจไม่มีแสดงว่าทรรมนะแสดงให้เห็นภายในจิตอันไหนหวั่นไหวจิตอันไหนตั้งมัน่นจิตอันไหนปล่อยวางจิตอันไหนเป็นวิมุตท่านรู้พอรู้เสร็จใช้คำว่าวิริยะความเพียรความพยายาม ในความเพียรและความพยายามจะไม่ทิ้งความอดทนหรือมีขันติบา ร, รมีฝึกฝนใจอยู่และสิ่งนั้นพอมายังต้องมีจาระสายที่จะสละค่าศึกที่มีอยู่ภายในเช่นธรรมมาบอกได้ว่าเราทุกคนมีค่าศึกอยู่ภายในอย่าบอกว่าไม่มีนะมีค่าศึกอยู่ภายในธรรมารู้ว่า รู้แล้วว่าสิ่งที่บาดใจได้ก็คือใจเท่านั้นเองใจเป็นเครื่องบาดใจไม่ใช่วัตถุมาบาดเราต้องระวังนิดหนึง่งระวังสิ่งที่บีบคั้นเราได้ก็คือใจเราเองด้วย mm hmm. เพียงแต่ว่าเราอาศัยเหตุและเราก็ยังไม่เข้าใจเราก็บีบคั้นเข้าไปเอาใจนะ่ะมาบาดใจเข้าไป พอสุดท้ายใจก็หวั่นไหวจิตตกกุศลเจริญไม่ขึ้นกุศลเจริญไม่ได้อยายามสังเกตดูนะหรือพระกุณเจ้าวันไหนที่จิตจเจริญกุศลไม่ได้นะวันนั้นวุ่นวายเชื่อไหมว่าตาที่เห็นมันก็เศร้าหมองนะหูที่ฟังเสียง มันก็เศร้าหมองใจข้างในเองงิ่งมันก็เศร้าหมอง ก, ก็สรุปว่าวันนี้ชีวิตไม่งดงามเลยไม่ผ่องใสไม่เบิกบานไม่เรองร่าดูเหมือนความสุขมันหายไปฉะนันพวกเราจะต้องหาความสุขให้เจอที่มันหายไปมันอยู่ใส่ มันอยู่ไหนมันไปใสมันไปไหนหาเดอ้อมันอยู่รอบใจหรืออยู่รอบชีวิตหรืออยู่ภายในใจหามาหาให้เจอถ้าหาเจอนั่นแหละเขาเรียกว่าคนนี้เริ่มเอาสติกาหนดจดจ่อรู้เรื่องของการเจริญสติอบ อรมจิตความสุขไม่จําเป็นต้องเกิดจากกา ร, ร ม, มาไม่จําเป็นหรือความสุขต้องเกิดจากการกระทบสัมปัตจากบุคคลอื่นไม่จําเป็นเจตมาจิบอกต้องหามาอยู่ไหนบอกเท่าไหร่มันก็ไม่จบเพราะบทของชีวิตมันไม่มีกฎตายตัวเราต้องมีปัญญา มีวิจนายานและก็มีเหตุผลบางครั้งเราอาจจะทิฐิมากไปโดยเราไ ม, รรนะไม่รู้จริงๆนะไม่รู้จริงๆนะบางครั้งนะเราอาจจะมีทิฐิมากไปเฉพาะในเรื่องนี้แต่เรื่องอื่นบางทเาีเราลดละทิฐิได้นะแต่พอเป็นเรื่องนี้เราไม่รู้ตัวเลยใจมันมัดตัวเอง ก็เอาใจบาดใจไงใครจะบาดใจเราได้บ้างไม่มีก็ดูพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเมื่อไม่เอาใจบาดใจแล้วก็ไม่มีใจใครมาบาดได้ไม่มีพิจารณาดูฉะนั้นเหตุปัจจัยมันเป็นสิ่งเกื้อกูลใช่มันเป็นเหตุส่วนหนึ่งแต่ถ้าเรารู้จักกําหนดรักษาจิตไว้นะ ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะคืออะไรจิตต้องตั้งได้ตามามาดูธรรมะที่องค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคตรัสไว้นะตอนนี้ไม่กลัวนะบาปไม่กลัวบุญเราก็ไม่ไม่กลัวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรามีวิธีปฏิบัติเขาวมาไม่กลัวเนะี่ย คือเรามีวิธีปฏิบัติหรือมีวิธีจัดการบาปเกิดจากสิ่งใดพึงห้ามใจจากสิ่งนั้นเห็นไ้ยหัวใจของการภาวนาบาปเกิดจากสิ่งใดจงห้ามใจจากสิ่งนั้นถ้าเรื่องนั้นไม่ว่ามันคือเรื่องอะไรใครเมื่อไหร่ที่ไหนเราจงห้ามใจจากสิ่งนั้นเห็นไ้ม บุญเกิดจากสิ่งใดจงน้อมใจสู่สิ่งนั้นไม่กลัวเอา้าไปกลัวทำไมหนทางของบาปเราก็รู้ทางดำเนินหนทางของบุญเราก็รู้วิธีเจริญไม่กลัวขอให้มีปัญญามีสติมีวิจนายานไม่กลัวและไม่กลัวนะว่าจะไม่นิพาน ไม่กลัวเร็วช้าไม่สงสัยเพราะนิพพานไม่ใช่คือความอยากย้าได้เลยเพราะนิพพานไม่ใช่คือความอยากแต่นิพพานคือความดับทุกข์ก่อนใครที่บอกว่าคนนี้นิพพานจิตอันหมดกิเลสนิพพานความหมายก็คือหมดกิเลสแล้วนะดับเย็นแล้วทุกข์เข็นใจต้องไม่มี แต่ทุกเข็นชีวิตยังมีอยู่ก็ดำเนินไปทุกเขยนใจต้องไม่มีดับเย็นแล้วแสดงว่าทุกใจต้องดับแล้วแต่ยืนยันว่าทุกกายยังคงอยู่เห็นไหมที่บอกแยกกายจิตในที่สุดชีวิตมันต้องกำหนดอย่างนี้ว่าเออทุกใจนี้ดับแต่กายนี้กาลังรู้อยู่ว่าเป็นสภาพทุกเมอรู้สภาพทุกเขต แห่งทุกพึงละเสียเห็นไหมก็แสดงว่าเราไม่ควรยึดอีกแล้วไอ้รูปนามขันทั้งหมดตั้งแต่ผมดำจนถึงผมขาวนะจนถึงพื้นเล็บพื้นเท้าลงไปกําหนดแล้วว่าเป็นสภาพทุกเมื่อเป็นสภาพทุกขทุกพึงละเสียเหตุของทุกเนี่ยพึงละแต่ว่าเหตุของทุกข์ก็คือเราเนี่ยอาศัยอยู่ด้วยความ เกิดในภพน้อยใหญ่ฉะนั้นเราต้องดับความจุติการเคลื่อนของภพน้อยใหญ่ของเราไปสู่ความวิมุตติไปสู่ความวิมุตติคือบอกเออจิตต้องดับทุกข์ก่อนใครจะบอกว่าฉันบรรลุแล้วฉันสำเร็จคุณธรรมฉันสูงแนละ้วหลอกกันไม่ได้ คนดับทุกข์ได้คนนั้นเขาเรียกอยู่เย็นแล้วก็เป็นสุขสุขที่ไม่ต้องมีกิเลสนะมันเป็นคำสมมุติขึ้นแต่มันก็ยังคงเป็นคำว่าสภาพที่เบิกบานสุขครั้งนี้ไม่ใช่กิเลสสุขแต่เป็นธรรมสุขเป็นธรรมสุขสุขจากธรรมเพราะ ธรรมนั้นไม่ได้มั่นหมายในสุขและสุขนั้นก็ไม่ได้มั่นหมายในตัวตนจึงเรียกว่าเป็นธรรมสุขหรือเรียกว่ารสแห่งธรรมสภรสังธรรมะโชชินาติจะรสอะไรมาเปรียบเสมอเหมือนไม่มีกว่ารสแห่งธรรมจริงพราะไม่มีรสใดเสมอเหมือนรสแห่งธรรมเพราะดับได้เนี่ย สติปัญญาจิตเมื่ออบรมกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็หันกลับมาดูพบน้อยใหญ่ที่สัตว์มนุชข้องอยู่ทุกแห่งหนจิตมันเกิดเวทนามากกว่าที่จะไปยึดถือตัวเวทนาก็คือเห็นสภาพของชีวิต อย่างเราบพันโรงพยาบาลเข้าไปในโรงพยาบาลสตีมันก็บอกแต่มาก็เห็นทุกที่มีอยู่แล้วก็มาบาบัดทุกที่มีอยู่ให้บบมบางหรือเจือจาาแต่ทุกนี้ไม่หายโรคหนึ่งส่โรคนะ่เพราะสภาพสังขาร เป็นวยธรรมมาสังขาราสังขารมีความเสื่อมโดยธรรมดาไม่มีใครไปต้านไม่มีไปต้านมันได้ถึงที่สุดเนี่ยต้านไม่ได้บรรเทาเบา บ, าบางได้ในระยะหนึ่งจบตรงนี้ฉะนั้นยิ่งเรากำหนดเท่าไหร่จิตที่บอกหมดกิเลสนิพานเนี่ยนะ ดับเย็นแล้วเนี่ยก็ไม่สงสัยทำไมเขาจริงไม่มั่นหมายกับรูปกายไม่ยึดถือกับเวทนาไม่หลงไหลครั้งใครกับสัญญาไม่ยินดีพอใจหรือยินร้ายไม่พอใจกับสังขารแห่งใจครองและไม่ได้ยึดมั่นหมายกับวิญญาณที่เป็นสภาพรู้ แล้วถึงวันหนึ่งก็เกิดดับไปเพราะสิ่งนี้เอาแก่นสารไม่ได้แต่สิ่งนี้เป็นเครื่องอยู่เป็นที่อาศัยในภพภูมิที่เราเกิดเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ติดมากับชีวิตจิตและก็นำใช้พอถึงจุดหนึ่งเหมือนท่านต้องลงจากรถ จบตรงนั้นแต่ถ้าท่านยังนั่งอยู่ในรถเฝ้ารถอยู่ท่านก็ติดอยู่ในภูมิดรงนั้นจะนั่งรถยี่ห้ออะไรมามันก็เท่านั้นจะนั่งอยู่ในบ้านหลังใหญ่เพียงไหนมันก็เท่านั้นตั้งแต่มุงย้าจนถึงเขาเรียกว่าเป็นคาลือหาดถ้าไม่เดินออกมามันก็ภาวะแห่งพบเนี่ยมันก็จมไป จมให้สัตว์มีพบที่ต้องแหวกว้เวียนว้และก็วนไปในวะะัฏฏะทุกน้อยใหญ่ทุกจุดนี้ต้องดับต้องดับพอทุกดับที่บอหมดกิเลสนนะ่ใช่ฉันใครบ่มีคุณธรรมจันสูงทุกยังไม่ดับเนี่ยมันค้านกันโดยธรรม ความโกรธเนี่ยมันเป็นทุกข์ไหมเป็นความเกลียดเนี่ยเป็นทุกข์ไหมเป็นแม้แต่ก็ว่าความรักเป็นไหมถ้าความรักที่มันมากเกินสติมันเป็นทุกข์แต่ถ้าความรักที่มีสติอยู่มันยังอยู่ในข่ายของธรรมอยู่ฉะนั้นเราเราต้อง ต้องเจริญให้เยอะเรื่องคำว่าสติสติเจริญเพื่ออะไรเพื่อระลึกถึงธรรมหลายคนยังบอกฉันก็มีสติธรรมสติคุณระลึกอะไรอยู่ระลึกถึงตอนจับปืนเล็งอยู่หรือไม่ใช่ฉันมีสมาธิจับปืนเล็งอยู่นะนั่นมันยืนยันว่าไม่ใช่สติของทางดับทุกข์ ถึงจะพูดสักกี่ร้อยกี่พันสติก็ไม่ใช่ทางดับทุกข์การงานเช่นนั้นไม่ใช่คือความปล่อยวางฉะนั้นหลายคนสอนธรรมะกันเยอะหลายรูปแบบดูเหมือนว่าจะฟังและดีแต่จริงๆไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าจะได้มรรคผลไม่ใช่สติต้องระลึกถึงธรรมะ นั่นคือสติเพราะธรรมะหนึ่งสอนให้ละสองสอนให้วางสามสอนให้ว่างแล้วก็สี่ให้รู้ทุกเหตุแห่งทุกความดับของทุกฉันเหตุผลมนุษย์จึงไม่พ้นทุกเพราะไม่ได้เอาสติมาะระลึกถึงธรรมเรามีแต่ความมั่นหมายตัวของกู เป็นสัตว์บุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขามันจึงค่ากันไงเทาสติมาระลึกถึงธรรมถามจริงมีค่ากันไหมไม่มีฉะนั้นหลายคนบอกฉันมีสติตมาก็ไม่เถียงหรอกแต่สติอย่างนั้นมันไม่ใช่ทางดับทุกข์คนที่เขาวางแผนฆ่าถามว่ามีสติัหมสุดยอดเลย แต่มันเป็นสุดยอดของมิจฉาสติความพยายามเป็นสมาธิไหมเป็นนะเป็นแบบสุดยอดแต่เป็นมิจฉาสมาธิมันข้ามภพนะอย่าว่าแต่ชาตินี้นะไม่อีกสิบภพบสิบชาติเกิดมามันก็ยังพยาบาทะอยู่มีความพยาบาทคิดร้ยปองร้ายเบียดเบียนทําลายกันนะแต่เขาเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิ จิตที่แน่วแน่ในสิ่งที่ไม่ใช่คือความดับและความออกอยากทุกข์ไม่ใช่ต้องเป็นสัมมาส ม, มาธิสัมมาสติฉะนั้นสัมมาสติทำยังไงเราก็จะเริญนในเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมทำไมจึงพูดแค่สยอย่างอย่างที่ห้าได้ไหมชีวิตมีอะไรก่อน มีกายอาวัยวะน้อยใหญ่รวมกันธาตุสีนะี่คือกายหมดกําหนดเวทนาเพื่ออะไรชีวิตคนเรามันต้องรับรู้สุขทุกข์เย็นร้อนอ่อนแข็งเวทนามันเกิดขึ้นเราไปเสพไม่ได้จริงต้องกําหนดรู้และก็จิตชีวิตของเราอะไรก็ตามทุกอย่างทุกอย่างที่รับเข้าไปก็คือจิตภายในมันเป็นชีวิตจริงๆ ไม่มีสิ่งนี้ชีวิตก็เหมือนไม่มีเขาเรียกว่าคนตายซากคุณอยู่อย่างมีชีวิตเหมือนไม่มีชีวิตคืออยู่แบบเหมือนไม่มีกระจิตกระใจแล้วเป็นโมคะนะไม่ได้นะอกหักช้ำใจผิดหวังช้ำรวงเงี้ยแล้วนั่งเมาลอยอย่างนี้นะโอโหวิญญาณตายอนยะ่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่อวิชาแห่งความรักครอบงามากเกิน ถอนออกสียแล้วเราจะได้ชีวิตกลับคืนมาใหม่เห็นฉะนั้นจิตใจตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่มันมันเปราะบางมา ก, มากและในสุดก็คือธรรมะธรรมะก็เป็นสภาพที่เกิดที่มีที่เป็นอยู่ทั้งตัวเรารอบตัวเราทั้งหมดสภาพธรรมลองพิจารณา ด, ดูความไม่เที่ยงก็เป็นธรรมะ ความเสื่อมก็เป็นธรรมะเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เป็นธรรมะเป็นสภาพที่เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและน้อมเข้ามาพิจารณาธรรมะไม่ใช่อยู่ไกลนะเอางนี้ดีกว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้แสดงไว้ครั้งหนึ่งนะว่าแม้พระตถาคตจะอุบัติขึ้นก็ตามไม่บังเกิดอุบัติขึ้นก็ดีธรรมนั้น ย่อมปรากฏอยู่ยมฟังดิธรรมนั้นย่อมมีอยู่แสดงว่าธรรมนั้นย่อมปรากฏอยู่เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะธรรมชาตินั้นเป็นเช่นนี้อยู่ธรรมชาติยังเป็นอยู่เช่นนี้ตาตาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เองเช่นนี้เช่นนี้เองมันเป็นเช่นนี้เองพระพุทธเจ้า ก็มาเห็นสัจธรรมที่บอกเป็นเช่นนี้เองเป็นเช่นนี้เองเป็นดังนี้เองพอเข้าใจก็ว่าเช่นนี้ดังนี้วัฏจักรที่มันวนอยู่เนี่ยในสามสวทพบน้อยใหญ่ทั้งสุคติทุคติก็ผสมประสานไปยมรู้ไหมว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค ในครั้งบำเพ็ญพระชาติที่เป็นพระเตมีใบ ย, ย้อนกลับไปอีกชาติหนึ่งก่อนมาเป็นพระเตมีใบเป็นอะไรเรามาจากสวรรค์ย้อนอีกอีกชาติหนึ่งก่อนที่มาจากสวรรค์เราเป็นอะไรอยู่ในนรกแปดหมื่ปีย้อนอีก ในแปดหมืนปีก่อนที่เราจะตกนรกเราเป็นอะไรเป็นพระราชาเป็นพระราชาทําไมออกจากความเป็นพระราชาจึงตกนรกได้ด้วยกรรมวิบากในตอนที่มีอํานาจการตัดสินคดีความต่างๆบางครั้งก็รุนแรงเกินเกินจากเหตุ โทตรงนั้นจึงเกิดได้พอพระเตมิไห่เห็นผู้เป็นพระราชบิดาตัดสินคดีความจึงตกใจตกใจมากในการตัดสินมีเอาเหลาเหลาไม้เป็นเหลาแหลมเสียบทะลุตัดคอบ่าทำเครื่องพันธนาการผูกล่ามไว้ทั้งขาทั้งข้อมือแขนถูกกระคังถูกทรมาน ตกใจจริงย้อนว่าเราก่อนที่เป็นพระเตมิว่าเราเกิดเป็นอะไรย้อนไปแค่สี่ชาตินั่นเองพอถึงบอเป็นพระราชาเท่านั้นแหละแล้วมาตกนรกในชาติต่ตอไปจิตไม่น้อมแล้วที่จะเป็นพระราชายอมเป็นใบยอมเป็นง่อยยอมหูหนวกทามาการอย่างนั้นถูกทดสอบตั้งสิบกว่าปี ถึงส6หปีโอ้ยทุกขโทรมานเพราะไม่ยินดีที่จะเป็นพระราชาอีกแล้วเห็นไหมนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าพระองค์เห็นการเสวยชาติพบภูมิน่ะมันมีทั้งสุกติทุกติติบกครบน้อยใหญ่ใช่ไทั้งมีอำนาจมีบริวารแต่ พอพบเปลี่ยนทำให้ตกตกตับลำบากเสวยกรรมวิบากแสดงว่าในภพที่เราวนเวียนอยู่ในสามเศษมุนเรามีสิทธิ์ทุกคนเลยลงห้วยลงเหวขึ้นยอดเขามันคือการท่องฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ทำแล้วจึงเห็นว่าโอ้ทำเป็นเช่นนี้เองตถตาเป็นอย่างนี้เองเป็นเช่นนี้เองเป็นแบบนี้เองจริงน้อมธรรมที่มีอยู่แล้วนะไม่ใช่เป็นของใหม่และยืนยันแล้วว่าไม่ใช่เป็นของเก่าสภาพธรรมไม่มีเก่าไม่มีใหม่และไม่มีการเวลาแต่มาทึ่งอยู่อย่างหนึ่งสิ่งอื่นอาศัยการเวลานะเกิดและบทขยี้แต่ธรรมะไม่อาศัยการเวลา และไม่มีการเวลาและไม่อยู่กับการเวลาด้วยเขาอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นสภาพเช่นนี้เองใครน้อมได้ใครน้อมเป็นใครเห็นได้ใครเห็นเป็นคนนั้นไม่ยากเข็นใจแต่อนุใยหมักนองสิ่งนอนเนื่องอยู่ในกมลสันดานเราภายใน มันเป็นเครื่องเครื่องผูกใจนะทมาถามว่าใครไม่ชอบเสียงไพเราะไม่มีใครปฏิเสธเลยใครไม่ชอบรูปสวยๆงามๆเห็นไหมใครไม่ชอบความสุขสบายกันที่ดิ้นรนกันทุกวันนี้ก็เพื่อความสุขสบายใครไม่อยากได้อำนาจที่เข่นฆ่ากันในบางยุคบางสมัย เพื่ออำนาจบางครั้งก็เพื่อลาบยศที่บอกอิจฉาริษยาก็เพื่ออำนาจและลาบยศนั่นนะมันเป็นตัวบงการอยู่ข้างในแล้วก็แย่งชิงกันมีเสียงดาบเสียงปืนเสียงจับสัตตรามีการแบ่งพักแบ่งฝ่ายแบ่งพวกแบ่งผลประโยชน์โอ้มันฆ่าเรามาม า, มากมากจริงๆนะ เรื่องกิเลสตัณหาแต่แต่ตมาเชื่อพวกเราก็เคยถูกฆ่ามาด้วยในเรื่องนี้บางทีเรานึกว่าเราได้ฆ่าเขาได้แต่พอพบภูมิมันย้อนคืนมาดูเหมือนเราไม่พ้นเวรกรรมเวรกรรมของเราเองที่สร้างไว้นั่นแหละคนยิ่งมีปัญญายิ่งรู้เท่าไหร่ ก็พึงรีบเร่งกระทำความดีและป้องกันจิตจากความชั่วเพราะเมื่อกระทำความดีชาไปใจจะกลับยินดีในความชั่วอีกจุมสังเกตไหมเอามองเห็นน่ชัดอย่างคนเคยเสพยาเสพสิ่งมึนเมาเสพของเสบติดพอได้เสบบ่อยๆเข้าใจยินดีไหมยินดีแม่กายจะได้รับเบทนาแค่ไหนแต่ใจมัน เหมือนตกเป็นทาสไปแล้วนะเขาบอกให้เลิกฉะนั้นถ้าเลิกเราก็ต้องห่างไกลจากคนในกลุ่มนั้นด้วยและสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราที่ยั่วยุที่มากวนใจด้วยเพราะเรายังไม่เข้มแข็งพออวุภูมิป้องกันเราไม่เข้มแข็งพอฉะนั้นสถานที่อย่างนี้อยู่ไม่ได้อากาศอย่างนี้อยู่ไม่ได้ภูมิต้านทานเราไม่พอต้องย้ายต้องเคลื่อนต้องเปลี่ยน แด้ต้องเสวนากับคนกลุ่มใหม่ก็อย่างเรามาบาเพ็ญภาวนานี่เราก็ฉีกออกมาแล้วนะเราก็ได้แยกตัวเองออกมาแล้วเราก็ได้คัดใจของเราด้วยนะว่าเราจะเลือกทางเนี้ยแต่ถามว่าใจชั่วหมดหรือยังมันแวบแฝยืนยันได้ว่ายังแวบแแบแฝบลมันยังมีอยู่เป็นบางช่วง ขนะดนั่งภาวนาสัญญาก็มาใครว่ามันไม่มามาขนะดนั่งภาวนาสังขารแห่งใจครองมันยังพรุงแต่งเลยใครบอกว่ามันจะนิ่งเปล่ามันมาได้ทุกรูปแบบถามว่าหลับมาได้ไหมได้ได้จิตที่เคยตกผวังอยู่ก็ทำให้เกิดได้ฉะนั้นสิ่งที่ดี ที่เราจเจริญ ม, มาสัมมาสติกายเวทนาจิตธรรมตรงเนี้ยพอเราจเจริญ ม, มากเราจะเห็นว่าธรรมที่มีอยู่สรุปสุดท้ายมันก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใจที่มีอยู่มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งดีทั้งเล็วทั้งชั่วกุศลฝ่ายอกุศลแต่เราพึงเลือกเฟ้นจำไว้นะกินอาหารยังเลือกให้กายได้บําเพ็ญภาวนาะต้องเลือกให้ใจเหมือนกัน กําขาวกําสะอาดกําบริสุทธิ์นั่นแหละกุศลสู้ปัจปุบตามันจเจริญกุศลให้ถึงพร้อมคำนี้สำคัญที่สุดคนจเจริญกุศล บ, บ่อยๆแต่มาบอกทําติดต่อไม่เกิน 3-5 ห้าปีหน้าใสขาวถึงดำก็ดำเงามันจริง <King. S 1> และเริ่มมีสิ่งคอยคุ้มครองแล้วนะ เลาจมจะสัมผัสเองสิ่งนี้เริ่มสัมผัสเองนะว่ามีสิ่งคอยดูแลปกปักรักษานั่นคือบุญปฏิบัติให้จริงนะี่ยทำให้จริงของจริงมีอยู่การงานใดที่ย่อหย่อนงานนั้นก็ไม่สำเร็จเช่นเดียวกันไม่ว่าการเจริญกุศลการบํบาเพ็ญภาวนาถ้าเราย่อหย่อนมันไม่ถึงคุณบอ นึกหรือว่าจะได้น้ำทุกบอ่อแต่มาเคยขุดสามสี่บ่อติดต่อกันะบางบอ่อดินมันมันถล่มเกือบทับตัวเราด้วยสภาพดินมันไม่ใช่บางบ่อ ก, ก็แข็งขุดดูเหมือนจะไม่มีน้ำใช่แล้วความชื้นไม่มีเลยเลึกไปตั้งเก้าเมตรสิบเมตร สิบกว่าเมตตอน้ำแข็งลงไปด้วยให้มันมีไอหายใจเข้าไปเดีย๋ยวอากาศไม่พอเต่บางบ่อห้าหกเมตรชัยโยแล้วออกในน้ำแล้วเต่บางบ่อมีไม่ถึงคุ้มแรงนะบดแตงวนนาหมดแตมาเจอมาหมดแล้วบางบ่อนี้ตักไปเถอะ จนเป็นบอ่อเคยเห็นไหมบอ่อกลางบ้านโ อ, โอ้จักมาจากใสเด้อเม่หน่อยไม่ใหญ่มากกันตักกันวุ้น้ำไม่มีหมดไม่หมดตักเท่าไหร่ก็ไม่หมดแล้ก็จเจอตาน้ำใหญ่คนปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าจิตบําเพ็ญภาวนาเจอธรรมะที่เป็นกระแสอันพร่งพลูขึ้นมาแล้วโอ้โหยอม ทำเนี่ยจะเอืบอาบชีวิตของเราทุกๆุกสว่วนแม้แต่ลมหายใจเบาๆเนี่ยนะธรรมะก็สัมผัสอยู่เชื่อไหมละ่ะแม้ความคิดเบาๆธรรมะก็สัมผัสอยู่โอ้ยมยังไม่เข้าใจว่าความละเอียดอ่อนที่ซ่อนเล้นแต่เปิดเผย อ, อยู่ภายในนั่นเอคือธรรม สุขในธรรมอิ่มเอิบในธรรมเบิกบานในธรรมร่าเริงบันเทิงอยู่ในธรรมมันมีอยู่สำหรับผู้ที่มีกระแสธรรมนะแต่ของเรานี้ใช่ว่ากระแสรรยังไม่ถึงนะของเราผู้มีธรรมในขณะของขณะจิตหนึ่งเพียงเท่านั้นมันเหมือนหยดน้าที่จตมาบอกอยู่เรื่อยว่ามันเป็นหยดน้ำที่ยังขาดสายมันยังไม่เป็นสายน้าและยังไม่สามารถไหลรวมเป็นแม่น้าได้ มันจริงไม่เต็มฉะนั้นยืนยันได้ว่าผู้บำเ พ, พ็ญภาวนาจะต้องมีิริยะขันติสมาธิปัญญาและก็ศรัทธาให้เป็นอินทรีย์ภาระจนถึงปัญญาปัญญาไม่รบกับคนแต่ปัญญาจะชนะกิเลสเท่านั้นยมไปดูนะพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าไม่ทะเลาะกับบุคคล แต่ปัญญาทําลายล้างกิเลสตัณหาราคะภพน้อยใหญ่อย่างสิ้นเชิงเลยนะ<ม>อย่างสิ้นเชิงมนุษย์เราเนี่ยความเข้าใจการชนะเหมือนการได้ตบตีอีกฝ่ายหนึ่งบาดเจ็บหวาดหรือล้มตายแล้วยิ่งชิงเข้ามาได้นั่นคือการชนะ แต่มาบอกไม่ใช่นั่นคือการฆ่าไล่ล่านั่นคือการจองเวรไม่ใช่ชนะไม่ใช่ อ, อย่างเช่นยมเห็นสัตว์วิ่งอยู่ในป่าเราก็ถือธ น, นูมีปืนมีหนังสติ๊กอะไรก็แล้วแต่แล้วเราไล่ล่าเขาเขาก็วิ่งหนีแล้วยมก็ยิงเขาถูกบาดเจ็บแล้วก็ตาย ยมบอกว่ายมชนะเขาแพ้ยมคือคนเก่งสัตว์มันคงไม่พูดอย่างนั้นแววตาครั้งสุดท้ายไม่รู้เขาพยายามบานเราหรือเขาเอาโหสิให้เรายังไม่รู้เลยแต่ที่รู้รู้เราได้ทำปานาดิบาทยืนยันว่าอายุคนนี้จะสั้นบางคนยิ่งไม่เข้าใจไปทำบุญวันเกิด สั่งฆ่าสัตว์สั่งเหล้าเบียร์สั่งเครื่องดนตรีมันล้วนแต่เป็นของมอมเมาทำลายศีลมากขึ้นอีกถ้าเอาศีลละเอียดตั้งแต่ศีลแปดเนี่ยหมดเลยเครื่องขับร้องดนตรีโดนแล้วในข้อเจนัจจคีตาวาทิตะวิสุกทัญนาเครื่องขับร้องบรรเลงเครื่องดีสีตีเปล่า มันเป็นค่าศึกทำให้ใจของเรานั้นเครือบเครือแต่ไม่ใช่เป็นบาปเพียงแต่ว่าทำให้เครื่อเครือ ม, มันไม่ใช่เป็นบาปในขั้นที่ว่าเบียดเบียนแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นเครื่องทำให้เนิ่นนานของการเจริญมรรคผลแยกกันนะอดข้าวเนี่ยอดข้าวเย็นในศีลข้อหกถ้ากินข้าวผิดศีลบาปไม่ํามาบอกไม่บาปเพราะเราไม่ได้ทาลายเขา เราทานอาหารไม่ได้บาปแต่การนขนไถที่ไม่รู้เวลาเราให้ความสำคัญกับการกินมากกว่าการภาวนาะทำให้เนิ่นช้าทำให้เนิ่นช้านี่คือสีนที่ละเอียดไงการจับเงินทองบาปไหมไม่บาปแต่เมื่อเราไปหลงลาบสักการะมากทำให้จิตของเราน้อมไปมันทำให้เนิ่นช้าแต่พอมาตั้งแต่สินห้านี้เป็นเลย ดื่มสุราเมาเสพสิ่งเสพติดเมาทำบาปแล้วหนึ่งปัทธร้ายร่างกายข้อหาแรกเลยนะปัทธร้ายร่างกายตัวเองก่อนนำโรคเข้าร่างกายตายผ่อนสงในข้อแรกและและถ้าอาการมึนเมานี้ไปขับรถยดถยนตพาหะผิดทั้งกฎหมายของกฎจราจร แล้วดีไม่ดีความเมาครั้งนี้อาจจะฆ่าครอบครัวเราฆ่าคนอื่นเรียกว่าเกิดอุบัติเหตุหรือตอนเองปีหนึ่งตายเยอะไหมนับไม่ทวนถ้ามารวบรวมกันไม่ได้ถัดไปศีงก็ศีอยาไม่หยาบให้ร้ายทำร้ายเบียนเบียนพูดไม่จริงแสไร้ป้ายสีทำให้บ้านแต่งาแหลกขาดทะเลาะวิวาท ทำให้คนอื่นได้เสื่อมเสียเบียดเบียนกันนี่เป็นบาปห้าเป็นถึงหนึ่งในบาปมาปฏิบาทกันรู้แล้วฆ่าขาโมยของเขาก็ฆ่าอีกกลไม้หมดกันไม่ได้เอาลูกเมียคนอื่นชุดไม่ได้ไม่ได้ไไดแต่พอศีลเขาหกไปแล้วเนี่ยศีลมันละเอียดตรงนี้ศีลเพื่อเป็นไปในการบาเพ็ญให้อยู่จบครบพรหมจรรย์ได้อย่างเร็ว มาก็นั่งดูศีลในชั้นสศียดศีลศีนนในที่ละเอียดศีลในที่เมื่อต้องเข้าแล้วมันเป็นกรรมหนักศีลตัวไหนต้องเข้าไปแล้วทำาไม่ศ่อาหมองมันก็มีเหมือนวิ่นหนยแต่ยืนยันว่าในที่สุดหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อความพ้นทุกข์และอยู่ อย่างผู้ไม่มีเวรฉะนั้นเราทุกคนที่เริ่มการภาวนาปฏิบัติใจพยาบาทต้องหยุดเขาคิดฆ่าเราแต่เราไม่คิดฆ่าเขาทําได้ไหมเขาสาบแช่งเราแต่เราไม่สาบแช่งเขาเหมือนก็มีบทกลอนบทหนึ่งใครว่าใครชังช่างเถิดใครชูใครเชิด ช่างเขาใครดาใครบนญทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอเนี่ยมันเป็นสภาพจิตที่อยู่เหนืออารมณ์ยมทวนดูหน่ยใครว่าใครช่างช่างเถิดใครชูใครเชิดช่างเขาใครดาใครบนญทนเอา เห็หมตัวนี้มีมีตัวขันเตียใจเราร่มเย็นเป็นพอตัวนี้ย ก, กจิตตัวเองใจเราร่มเย็นเป็นพอพอขึ้นใครว่าใครช่างช่างเถิดคือไม่ยึดถือพอใครชูใครเชิดช่างเขาใครจะสรรเสริญก็าตามเราไม่เหลิงเราไม่เหลงเราก็พิจารณาตามเนื้อผ้าเออถ้าวันดีเหมือนมีผู้สรรเสริญบูชามาแต่ถ้าสรรเสริญที่มันเกินเนื้อผ้า พระพเจ้าก็ไม่ได้รับนะวางไว้ตรงนั้นแหละสิ่งนั้นพระตถาคตไม่ได้ทาก็คือไม่ได้ทําเธอจะพูดอย่างไรมันก็คือคำพูดเหมือนใครจะมาประนามให้ร้ายไปสีในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ทาสิ่งนั้นก็ไม่ได้ทําก็วางไว้ตรงนั้นแหละใครว่าใครช่งช่างเถิด ใครชูใครเชิดช่างเขาใครดา่าใครบน่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอมาจบคำสุดท้ายสวยมากใจเราร่มเย็นเป็นพอเห็นไหมใจเราร่มเย็นเป็นพออันนี้พอบอกใครดา่าใครว่ากู้ <c oughs> เห็นไหมทนไม่ได้แล้วพอใครยกใครยอมมะแหหน้าบานจะปรีอยู่แล้วนะจะปรีแล้ว บานจะไม่มีอะเอาโซ่ดึงไว้หน่อมจะลอยแล้วทั้งที่ไม่จริงก็ยังก็ยังเอออค่อนนะนั่นมันคือยาพิษนะมันไม่ใช่ความจริงคนที่ยกยอเราอย่างนั้นถามว่าเขาหวังอะไรตมาจะไม่ยกยอญาติโยมจนเกินเนื้อผ้าไม่เอาไม่เอานะไม่เอาและไม่ใช้คําหยาบ ก, กับญาติกับโยมไม่เอาเนื้อผ้าอย่างไรก็ แสดงไปตามเนื้อผ้าถ้าจเจริญกุศลดีตัมมาก็โมทนาสาธุเพราะสิ่งนี้เป็นความสุขอัตามาต้องโมทนาด้วยต้องโมทนาด้วยเขาสร้างกุศลเขาสร้างกรรมดีมีหรือเราจะไม่โมทนาก็โมทนากับโยมด้วยแนละ้วกับเราเองก็มีใจพลอยยินดีในกุศลที่เขาบำเพ็ญเขาสร้างทานสร้างบา ร, รมีเราก็ได้รับ โยมเองบุญก็ไม่ได้ลดน้อยลงนะบุญไม่ได้ลดน้อยลงไม่เหมือนกับแบ่งสิ่งของนะเออแบ่งสิ่งของมันน้อยลงได้นะแต่บุญเนี่ยโยมนึกว่ามันเหมือนแสงสว่างที่ต่อกันโยมนึกอเอาแค่ทางแบบนี่คือเทียนเล่มแรกมีเล่มที่สองขอจุดเล่มที่สามขอจุดเล่มที่สี่ขอจุดโอ้โหโยมทำว่าเทียนเล่มแรก เล่มแรกลดน้อยลงไหมไม่แต่กลับกลายมาเป็นให้แสงสว่างไปทั่วโปรโดคนอื่นได้อีกให้คนอื่นได้มีรับแสงด้วยนึกออกไหมอย่างนี้โอ้โหจ้าไปเลยมันเพิ่มไปด้วยนะเขาเรียกเพิ่มด้วยบริวารบริวารไม่จำเป็นว่าต้องมารับใช้เราไม่ใช่นะความหมายบริวารคือเราได้เหมือนเจื อ, อาจาย์ให้กับบุคคลอื่น อยู่รอบข้างเราเขาก็ได้มีความสุขและสิ่งนั้นก็จะสะท้อนกลับมาสู่เราคือความดีคนนั้นเขาก็ดีกับเราตอบบอกเออหลายคนนะั่นว่าเอางั้นฉันก็ไปเป็นบริวารเธอฉันฉันก็เป็นคนรับใช้อย่าเข้าใจคำว่าบริวารไม่ใช่คนใช้นะเหมือนจุดเทียนที่บอกเทียนเล่มสองจุดต่อเล่มสามจุดต่อเล่มสี่จุดต่อมันสว่างสวัยไปหมดคล้ายๆกับว่าเพชร ที่งดงามได้ก็มีเรือนทองมารองรับใช่ไหมเออนั่สวยจะแวววาวเงาวับนี่แม่มันต้องเอาใส่มีแสงด้วยก็คือกุศลศกโอโยมถ้าโยมเคยเจอับว่าบุญเวลาสว่างโอ้โหโยมนั่งเนี่ยนะเวลาบุญมันเกิดเนี่ยไม่ธรรมดานะมันสว่างแบบนวลเนียนนุ่ม บอไม่ถูกมันเป็นรถแบบใช่ว่าไงดีคําสมมุติของโลกจะมาจะใช้คําไหนดีมันเหมือนกับเอาใช่ก็มาปรลงใส่ได้ไหมจิตมันโปร่งเออเอาแค่นี้ก่อนวนะ่จิตมันโปร่งแล้วก็มีความเบาเบาแบบมีความเย็นแล้วก็อิ่มแล้วมีความนิ่ง ธรรมาก็าสมมุติยากแต่มันเป็นเช่นนั้นจริงๆในแต่สภาวะที่ผู้ภาวนาเจอจริงๆนะแต่กว่าจะเจอจริงต้องนิ่งพอสมควรนะไม่ใช่พวกแบบพวกแบบธรรมาเคยภาวนามาอยู่ช่วงนะี้อรมามีคำหนึ่งตรระบอกถ้าเป็นของจริงไม่ต้องรีบไม่ต้องรอนมันต้องปรากฏจนชัดเจนถ้าเรามัวไปนั่งปรุงนั่งแต่งนั่งเก็บอาการนั่งเก็บความรู้สึกอยู่ ระวังถูกหลอกตอมาบอกตอมาก็พิสูจน์อะไรจะผ่านจะเกิดขึ้นก็พยายามนั่งจเจริญสติรู้นิ่งเฉยปล่อยวางกําหนดนิ่งรู้เฉยปล่อยวางจนกว่าสิ่งนั้นปรากฏชัดจริงๆชัดจริงๆชัดจริง ๆ, งๆก็ยังนิ่งเฉยปล่อยวางแต่รู้อยู่ไม่ยึดถือเราว่าอ๋อนี่คือรสที่สัมผัสแต่เราไม่ได้เป็นนะ สิ่งนี้ปรากฏเกิดแต่เราไม่ได้เป็นนะยุบได้ไหมความร้อนที่วิ่งเข้าไปเนื้อนในเนื้อเหล็กเหล็กก็แดงใช่ไหมแต่พอความร้อนดับเหล็กก็ยังคงไว้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันคนภาวนาะถ้าเข้าใจเนี่ยอาการทั้งหมดก็เหมือนไฟที่ร้อนวิ่งเข้าไปพอถึงจุดไฟที่ดับเหล็กก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมโอ้พอเราเข้าใจชัดออนี่เองคนที่ถูกหลอก พอได้นิดได้หน่อยก็ดิ้นเหมือนปลานะเหมือ น, อนปลาได้น้าใหม่มันฟุ้งนะมันฟุ้งนะมันฟุ้งนะถ้าสติเราตั้งไม่มั่นแล้วมันมันมันเสียเวลาแล้วแทนว่าเราภาวนา ท, ทำที่จะรุดหน้ามากขึ้นมากขึ้นแต่เรากลับมาเอาไอความร้อนที่วิ่งเข้าไปในเนื้อเหล็กและเราก็ไปทุกข์ทักว่าไอความร้อนเมื่อกี้มันเป็นคุณธรรมไม่ใช่นะมันเป็นรส นยมทานอาหารใช่ไหมยมเคี้ยวคํำข้าวยมกลืนคํำข้าวไปความประสงค์จริงๆก็คืออิ่มนั่นคือจุดหมายแต่ในรสของอาหารยมอย่าไปติดมันแต่รสตรงนี้เราสัมผัสอยู่ออจบตรงนั้นนะเข้าใจนะนั่นละการเบื่อทำพกคนเข้าใจสูงสุดแล้วเนี่ยทำที่เกิดจริงๆจิตที่ปล่อยวางแล้วนะ ธรรมสับสนนะใหม่ๆเอ้ยทำไมมันยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ยิ่งไม่อยากยิ่งเกิดสงสัยอย่างสงบเท่าไหร่ไม่สงบพอไม่อยากสงบมันสงบเอ้ยอะไรกันนะกันหนานึกถึงพระอานนท์ตอนที่จะเอ็นกายลงว่าเราไม่บรรลุแน่แล้วเท่านั้นแหละพอจิตคลายออกมาจากว่าเราต้องบรรลุบวกเราไม่บรรลุแล้วเพราะถอนนั่นแหละ เอ็นเดี๋ยวไม่นมือยังไม่นทันเท้าหมอนสามเหลี่ยมว่างนี้สะรู้เลยว่าขนาจิตอย่างนี้เองจึงเป็นผู้หมดจดจากกิเลสไปปรากฏอยู่ในธรรมะ ท, ที่ห้าร้อยเริ่มทมสังขายาเป็นครั้งแรกน่าจะเป็นถ้ำอะไรสัตบัญักูหานะก็เกิดการ สังคยนาขึ้นมามันมันละเอียดเนาะบางทีเราธรรมะมันไม่เหมือนกระแสเหมือนของโลกนะของโลกนี่มันมันใช้ตัวตนให้เต็มที่แต่ธรรมะใช้จิตที่ว่างวางจึงจะได้สัมผัสการอยู่เหนือภูมิน้อยใหญ่ได้มันแปลกมากนนะก็สมควรเวลาใน การบรรยายก็ขอยุติแต่เพียงท่นนี้ขอจงได้รับความสุขโดยทั่วถึงทุกท่านทุกคนเทินขอจเจริญพร